ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราพระเจ้า ใ, ใ, ให้มีความรู้สึกว่าสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นในสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง ให้วาเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างกันึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำบานมาให้ติดเป็นนิสัยเลยประบุญบา ร, รมีความดี ที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์เราสร้างบุญบารมีความดีเรื่อยมาเลยในทุกๆบุญทุกๆบารมีทุกๆความดีดรวมเป็นดวงบุญใ ส, ใส ติดในส่นกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบา ย, บายมารวมเป็นดวงบุญใสใสติดในส่นกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบาย ดวงบนนั้นกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสอยิ่งกว่านี้ใสเกินใส เกินความใสใดๆทั้งสิ้นที่เราเคยเห็นในโลกแล้วก็สว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามที่ยงวันแต่ว่าไม่แสบตาไม่เคลืองตาไม่จ้าตาคล้ายๆแล้วก็เรามองดูพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างนั้นแหละ จะเป็นแสงที่ใสเย็นสบายคกติเป็นดีสัยเลยนะจ๊ะเพราะเราจะต้องใช้ดวงบุญนี้ไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราจะไป น, นึกในตอนนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันกัน มันฝึกมันนึกมันคิดถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาติทลาสุดเนี่ยมรวบเป็นดวงบุญใสๆสติดอยู่ในกลางกายพฏิสูจน์กลางกายฐานที่เจ็ดนั้นเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิด ที่หลับที่ตื่นไปสู่อายตนานิพานดังที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้นั่นแหละตอนนี้เรามาเกิดแล้วสั่งสมบุญเอาไว้แล้วแต่ตอนจะไปเกิดก็ต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นไม่รู้หลักวิชานี่มันอันตรายนะจ๊ะ มีผู้มีบุญหลายท่านเดียดไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตามจะจันล่างันกลางชั้นสู ง, งถ้าไม่เคยมันนึกถึงบุญหรือไม่รู้จักหลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปัลโลก วัดใจใสละไปดีใจหม่องไปไม่ดีไปอาบายไม่รู้ตรงนี้ก็จะทำไม่เป็นใจใสยอยู่ที่นึกถึงความดีที่เราทำใจหม่องเพราะวันนึกถึงสิ่งที่เราเดำเนชีวิตผิดพลาดที่เราทำไม่ดีเนะี่ยมันมาใช้เห็นไม่ว่าเราจะมีความรู้หรือไม่มีหร ถ้าไม่รู้หลักสูตรชีวิตก่อนเดินทางไปสู่พระโลกจะทำไม่เป็นยิ่งโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิตมันมีโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ทุกข์ทรมานมากบางคนก็ปานกลางบางคนก็น้อยไม่เหมือนกัน แต่จะทุกข์ทรมาน้อยมากผ่านคางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตั้งรู้จากหลักวิชาถ้าไม่รู้ก็ทําให้เป็นพอทาให้เป็นแล้วมันอันตรายนะอันตรายอย่างไรแม้สั่งสมบุญม า, มากๆแต่เราไม่หมันนึกเพราะไม่เข้าใจตายใหม่ๆนี่ เมื่อความทุกขเวทนาครอบงำใจมันก็จะปูกพันอยู่กับความทุกขเจ็บป่วยยังขาดสติเวลาหลุดไปจะ ก, กายหยาบไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือนึกถึงใครก็ไปตรงนั้นวนเวียนอยู่เจ็ดวันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที จากยมโลกเขามาพาไปตามกำลังแห่งบากกรรมที่เราทำมาไว้ตรงนี้มันจะให้ช่องก่อนไอ้ตรงนี้ถ้าเดิมเล่าสุภูรีเป็นอาจินเป็นอาจิ น, น ก, กรรม เจ้าหน้าทีก็จะพาไปในยมโลกของมารนรกขุมมาก่อนเห็นไหมถึงกรานั้นเราทำบุญกับบาปควบคู่กมนไปโดยไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรรือทำบุญก็ทำไปอย่างนั้นทำตามหน้าทีมั่ง น, น, น, น, น า, านๆก็จะมีศรัทธาสักทีนึงหรือทำบุญสงเคราะห์โลกเป็นส่วนใหญ่ตายใหม่ๆก็จะไปอย่างนี้แหละ มันไปเลยลักษณะที่ไม่มีเสื้อมีผ้ามีแต่เครื่องบรรณาการเขาใส่กันอยู่มันตกออกตกใจโขคุมตัวไปเด็ก้าไป อ, อกสั่นก็นไหวอยู่ที่หน้าลา น, ลานาอีกลานวิภาคสาาอีกมีสิ่งแวดล้อมที่เห็นแล้วน่าสยองน่าสะเปรึงกลัวจ่ายยิงหม่องหดหูหนักเข้าไป พอถึงคราวประกาศที่ตัวเดินตามเข้าไปในสภาพีิดเลยเปล่าอย่างนั้นนะมีคนคุมไ่มีเครื่องบรรณาการไปหวาดเสียวอีกอีกตอนไปนั่งอยู่ตรงบันลังหน้าบันลังนะถ้าโชคดีก็ฉายเราบุญมาให้ดูก่อนพอเราลึกได้เป็ภนภาพกันมาแล้วนะบุญนึงจะส่งผล น้ำและหลุดมก่อนเจิงจะมารับบุญที่กระอุทิไปให้เึิงมันมีที่เก็บอยู่ที่ว่าบุญไปคอยอยู่ที่โยมโลกแล้วเจิงจะมีขั้นตอนกันออกมากว่าจะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้เพราะบุญส่งผลในภายหลังมันก็อกสาขนขวัญแขวนขว่าจะเดินทางไป าการกำลังแห่งบุญไปสู่เทวโลกก็ต้องผ่านขั้นตอนนั้นก่อนเพราะเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจะเห็นว่านารกสวรรค์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเรามันไม่ใช่เพียงใกล้ตัวหรือไขใจผิดฝกไกลตัวจนไม่ศึกษาแล้วก็ใบใจไกลตัวคือมาศึกษาบ้างถ้ามันเกี่ยวกับตัวมันต้องศึกษา เพราะฉะนั้นมันนึกถึงบุญเอาไว้อย่างที่ได้กล่าวาไว้นี่ทุกวันให้สม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับลูกทุกๆคนเรามันเกี่ยวข้องกับตัวของเราดังนั้นในตอนี้ก็ต้องนึกนะลูกนะนึกให้ดีทีเดียนึกให้ดีนึกถึงบุญให้เป็นดวงใสใส แม้ยังเห็นไม่ชัดก็ให้มีความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนว่าเป็นดวงกลมๆใสๆเหมือนกระเพชรเหมือนกระจบหรือเหมือนน้ำแข็งใสๆสิ่งเรานึกง่ายเพราะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการนึกการเห็นก็นึกง่ายอย่างนั้นไปก่อน ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรให้คุณเคยนึกบ่อยๆมันก็คุณเคยแล้วก็จะชัดเจนกันเองจากการนึกเห็นก็จะมาเป็นการเห็นได้จริงๆภายหลังเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกสวดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หรอทุกคนต้องฝึกฝนด้วยตนเองเพราะมันทำแทนกันไม่ได้ ไม่มีใครทำแทนเราได้เราต้องหายใจเองรับประทานเองปฏิบัติธรรมะก็ต้องปฏิบัติเองนึกถึงดวงบุญก็ต้องนึกเองจึงกระทั่งมันคุ้นเคยแล้วก็เชีนติดเป็นอุปนิสัยกระทั่งกลายมาเป็นขันตสันดานติดเลยติดอยู่กับตัวของเราเป็นอัตโนมัติ เหมือนเราอาบน้ำล้างหน้าแรงฝนที่ไม่ต้องมีใครมาตักเตือนเรามันก็จะเป็นอัตโนมัติหรเหมือนาหลหมายใจเขาออกที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ให้ตามระลึกนึกถึงบุญโดยนึกเป็นภาาโปรมไปก่อนมาบุญทั้งหมดมาโรมเป็นดวอย่างนี้ หรือจะเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้ง่ายประทับใจในบุญใดก่อนที่นึกที่อะไรแล้วปลื้มทุกทีเนะี่ยนึกถึงดวงบุญบุญนั้นการกระทำนั้นก่อนพอความปลื้มเกิดขึ้นมันก็จะไปดึงดูดบุญอื่ น, นๆทุกๆบุญที่เราระลึกไม่ได้ ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายซึ่งจะเป็นจุดหลักย็ดองใจเราเมื่อใจมีความเปรื่มบิติในบุญในความดีที่เราทำความสงบกายสงบใจก็จะเกิดขึ้นเองซึ่งก็จะนำมา ซึ่งการหยุดนิ่งใจก็จะหยุดนิ่งหยุดายในก็จะหยุดไปเรื่อยๆอยู่กับเนื้อกระตัวในตําแหน่งที่ถูกต้องตําแหน่งที่เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขความสมําเร็จในชีวิตความรอบรู้อะไรต่างๆในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นต้น เพราฉนั้นตอนนี้เรากำลนึกถึงดวงบุญเราจะอย่างสบายๆค่าๆก็เรานึกถึงสิ่งที่เราชอบงั้นแหละมันก็เพลินไปนึกมันก็นจะได้เพลินแต่เพลินอยู่ในบุญเมื่อใจเราเพลิดเพลินอยู่ในบุญเนี่ยใจมันก็จะใสๆแล้วยิง เราประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังไปด้วยใจก็จะยิ่งอยู่กับเนื้อกัตัวยิ่งหยุดยิ่งนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด